ชายคนหนึ่งมีอาชีพขายลูกชิ้นปิ้งแล้วก็ขายอยู่แถวหน้าห้างหน้าร้านเซเว่นเป็นประจำทุกเย็นเนี่ยก็จะมีคนขับรถตุก๊กๆุกเนี่ยมาซื้อลูกชิ้นปิ้งนะจากพ่อค้าคนเนี้ทุกเย็นเลยแล้วก็ซื้อนี่ี่สิบบาทเป็นประจำ สี่สิบบานีก็เท่ากับลูกชิ้นเนี่ยสี่ไม้นะพราะม้ละสิบแต่ตอนหลังพ่อค้านี่ก็เห็นว่าเป็นลูกค้าประจําแล้วก็เห็นว่าเป็นคนที่ชมาหากินเหมือนกันแก็เลยแถมให้หนึ่งไม้สี่สิบบาทแทนที่ได้สี่ไม้ก็ได้ห้าไม้ก็เป็นเช่นนี้อยู่ประจำแต่วันนึงเนี่ย ลูกชิ้นปิ้งเนี่ยเกิดขายดีนะพอคราวนี้ก็ขายเพลินไปน่อยจนเหลือแค่สี่ไม้สุดท้ายก็ไปดีลูกค้าเนี่ยตุ๊กๆกเนี่ยก็มาปกติก็แถมหนึ่งไม้ทุกครั้งแต่ว่ า, าวนี้เนี่ยมันเหลือแค่สี่ไม้ก็ให้ลูกค้าคนนี้ไปแต่ไม่ได้บอกนะว่าวันนี้ไม่มีแถม ลูกค้าได้ลูกชิ้นปิ้งไปจักพักก็ไปดูที่ถุงนะก็เห็นแค่สีไม้ก็เลยย้อนกลับมาแล้วก็ถามพ่อค้าว่าอีกไม้นึงละ่ะพ่อค้าบอกขอโทษครับพี่วันนี้ขายดีมันจนเหลือแค่สีไม้เองต้องขอโทษจริงๆ แต่พรุ่งนี้ผมจะแถมให้นะพี่ลูกค้าคนนั้นก็ทําสีหน้าไม่พอใจก็มีสีหน้าไม่พอใจแต่หลังจากนั้นนี่ก็ไม่มาซื้อลูกชิ้นที่ร้านของที่ไม่มาซื้อลูกชิ้นปิ้งจากพ่อค้าคนนี้กันเลยแต่ไปซื้อจากรถคันอื่นนะที่จอดอยู่ใกล้ๆ ก, ก, กัน พอเข้ า, ข า, ข า, ขาขนี่ก็ยังไล่อีกนะถึงเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเวลาจะไปกินข้าวนอกบ้านก็ก็ชวนเพื่อนคนนี้ไปด้วยแล้วทุกครั้งก็ออกเงินให้นะเพราะเห็นว่าเพื่อนคนนี้ไม่ค่อยมีเงินแต่วันหนึ่งเนี่ยบอกว่าเงินเหลือน้อยนะ รายเขาเก็บบิลเนี่ย700บาทแต่ว่าเ็ามีเงินแค่400กว่าบาทก็เลยบอกเพื่อ น, นว่าช่วยจ่ายที่เหลือหน่อยซึ่งที่จริงก็เหมือนกับว่าต่างคนต่างออกนะูชายกนก็ทำท่าอิดออด น, นะแต่ก็ยอมควักเงนิงนะเกือบ300บาท และนับตานั้นมานี่ก็ไม่ยอมไปกินอาหารกับเขาเลยผู้ชายนี่แกก็เลยได้ข้อสรุปว่าทำดีกก้าวครั้งเนี่ยหรือว่าให้เก้าครั้งนี้คนเนี่ยอาจจะลืมแต่ถ้าไม่ให้เขาสักครั้งเดียวนี่เขาจำได้แม่นเลยอันนึงก็เป็น เรียกว่าข้อคิดที่ดีนะซึเพราะว่ามันสะท้อนถึงนิสัยหรือธรรมชาติของคนเราไม่เฉพาะสองคนที่เขาพูดถึงนะเท่า น, นั้นแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นแหละเรามักจะจดจำแม่นไนปะทำไม่ดีกับเราหรือทำให้เราผิดหวังแต่ว่าในสิ่งดีๆที่เขาทำให้กับเราเรากลับไม่ค่อยจดจำเท่าไหร่ คนชมเรานี่เราไม่ค่อยจำนะแต่ใครด่าเรานี่เราจำแม่นเลยคนที่ให้เงินเรานะอาจจะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวจะให้หลายครังนะ้งเราไม่ค่อยจำนะแต่ถ้าใครก็ตามที่โกงเงินเราหรือว่ายืมเงินแล้วแล้วไม่คืนจาแม่นมากธรรมชาติคนเราเป็นงนั้นนะ แต่ที่จริงนี่ไม่ใช่เฉพาะคนที่โกงเงินเราหรือว่ายืมเงินแล้วแล้วไม่คืนนะแม้กระทั่งเราช่วยใครแต่ว่าพอมีวันหนึ่งมีเหตุจำเป็นนะที่เราไม่ได้ช่วยเขาเช่นไม่ได้แถมลูกชิ้นให้หรือว่าไม่ได้ ออกเงินค่าอาหารนี่นอกจากเขาจำแม่แล้วเขายังโกรธด้วยนะอย่างตุ๊กๆนี่ก็ไปซื้อลูกชิ้นปิ้งร้านอื่นเลยหรือว่าเพื่อนของชาย น, นี้ก็ทีหลังก็ไม่ไปไปเที่ยวด้วยกันอีกแล้วอันนี้มันแสดงถึงความโกรธความไม่พอใจทั้งที่ฝ่ายก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะก็เพียงแต่ว่าไม่ได้แถมหรือไม่ได้แล้วก็ไม่ได้โกงอะไร ไม่ได้ชักดาบไปเลยที่จริงมันไม่ใช่เฉพาะพ่อค้ากับลูกค้าหรือเพื่อนนั้น น, นนะบางทีพ่อแม่กับลูกก็เหมือนกันนะพ่อแม่ดีกับลูกยังไงแต่ถ้าวันหนึ่งพ่อหรือแม่เกิดไม่ดีกับลูกขึ้นมาใช้อารมณ์กับลูกหรือว่าทำทีไม่เป็นธรรมกับลูกนะ ไปโปรดปารานลูกคนอื่นนะครับโปรดปานที่น้องคนอื่นมากกว่าลูกจะไม่พอใจแล้วก็ฝังใจหาว่าแม่ไม่รักน้อยเนื้อต่ำใจทั้งที่พ่อแม่ก็ดีกับลูกเป็นหมื่นครั้งนะแต่ว่าเพียงแค่ทำผิดทำพลาด ครั้งสองครั้งนี้โอ้ยลูกนี้จำแมน่นนี่เป็นธรรมดาของมนุษย์นะแล้วซึ่งเราทุกคนก็มีแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะเพราะว่าถ้าเรามองมองลบแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดความทุกข์ตัวเราและทาให้ความสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งเป็นคนที่ดีกับเรา ก็อาจจะร้าวฉานได้ที่จริงเรื่องนี้มันก็ยังชี้นะให้เห็นนะว่าความคาดหวังของคนเรานี่ดังทีว่า ก, กลับมาสร้างปัญหาให้กับตัวเราเองนะุกๆเนี่ยนะคนขับรถตุกๆที่เป็นลูกค้าลูกชิ้นปิ้งเนี่ย ถ้าแกก็ได้ของฟรีหนึ่งไม้เป็นประจำจนกระทั่งมีความคาดหวังว่านะสี่สิบบาทต้องได้ห้าไม้แต่พอได้สี่ไม้เนี่ยก็ไม่พอใจทั้งที่สี่ไม้มันก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะมันก็เป็นราคาปกติอยู่แล้วพอได้ น้อยกว่าที่คาดหวังก็เกิดความไม่พอใจหรือเพื่อนที่ไปกินกับพ่อข้าคนนี้แล้วก็ไม่เคยออกเงินเลยเพาะมีเพื่อนออกให้ก็คาดหมอเขาจะออกเงินให้เราแต่พอวันหนึ่งเขาไม่สามารถจะออกให้ได้นะเพราะเงินเหลือแค่นั้นแหละ400ก็กลายไปว่าถ้าจะกินฟรีนะก็ต้องจ่ายเงินก็ไม่พอใจ ไม่พอใจก็โกรธนะไอ้ความคาดหวังคนๆเราเนี่ยถ้าถ้าเราไม่รู้ทันปล่อยมันคลองใจนี่มันสร้างปัญหากับเรานะสร้างความทุกข์สร้างความไม่พอใจทั้งที่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันก็ไม่ได้เลวร้วายอะไรนะเพียงแต่ไม่ได้ของแถมเหมือนเคยหรือเพียงแต่ไม่ได้กินฟรีเหมือนเดิมแต่ว่า มันสามารถสร้างความถูกและทำให้เสียประโยชน์นะเพราะว่าหากว่ายังคบกับพ่อค้าวนี้ต่อไปครั้งหน้าก็อาจจะได้กินฟรีนะเหมือนเดิมนะหรือว่าถ้าไปซื้อกับพ่อค้าคนนี้ลูกชิ้นปิ้งเนี่ยวันหน้าก็ได้ห้าไม้เหมือนเดิมแต่พอตัดยติขาดมิตรแล้วนะ ไอ้สิ่งที่เคยได้มาฟรีฟรีมันก็ไม่ได้ก็กลายเป็นเสียประโยชน์นะเรื่องที่ทำให้นึกถึงเรื่องของพ่อค้าคนหนึ่งนะคราวนี้เนี่ยเดิมแกก็เป็นคนที่เอาแต่ทำ ม, มาหากินไม่เคยสนใจเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องสมาธิภาวนา จรงทั่งมีคราหนึ่งเนี่ยเพื่อนชวนแล้วก็ปฏิเสธเพื่อนไม่ได้ก็เลยได้ไปเข้าคอสปฏิบัติธรรมโมบอกว่าประทับใจมากเลยนะเพราะว่านั่งสมาธิแล้วใจมันสงบนะไอ้ที่เคยรุ่มร้อนเคยฟุ้งซ่านเคยวิตกกังวลเนี่ยมันลดไปเยอะเลยลก็เลยติดใจนะการนั่งสมาธิ แล้ก็ตั้งใจว่าเนี่ยเลิกงานทุกเย็นนะก็จะนั่งสมาธิที่ร้านนี่แหละนะก่อนจะกลับบ้านก็นั่งสมาธิสักหน่อยแล้วก็นั่งสมาธิได้ราบลื่นนะวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสจนถึงวันศุกร์เย็นวันศุกร์เราะก็ขณะที่กาลังนั่งสมาธิอยู่นะไม่มีเสียง เด็กตะโกนโบกเวกเราะว่าเด็กเนี่ยเขาเล่นฟุตบอลกันบนถ น, นนหน้าร้านของชายคนนี้พปรติแกไม่รู้หรอกเพราะว่าเย็นมาสู่แกก็กลับไปบ้านแล้วแต่คราวนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะนั่งสมาธิทุกเย็นก่อนที่จะกลับบ้าน ก็ไปเจอนะเสียงเอตโตโรของเด็กที่เล่นฟุตบอลกันก็ไม่สงบเหมือนเดิมก็ไม่พอใจเด็กกลุ่มนี้ใจหนึ่งก็คิดอยากจะออกไปไล่เด็กพวกนี้ใจแกก็มาถูกคิดว่าคืนธรรมเนี่ยเด็กมันยิ่งแกล้งใหญ่ๆเลย <c oughs> เด็กมันอาจจะเตลิดไปสักพักพอ แกเผอเด็กก็กลับมาใหม่แล้วก็คราวนี้ส่งเสียงดังยิ่งกว่าเดิมการไปตะเพิดเด็กนี่มันไม่ได้ผลนะแกรู้จักนิสัยของเด็กดีนั่งคิดสักพักก็คิดว่าใช้วิธีใหม่ดีกว่านะลงไปหาเด็กหนะลังจากที่เด็กเนี่ยเล่นฟุตบอลเสร็จแล้ว เขาบอกโอ้หนูเล่นฟุตบอลลุงนี่มีความสุขมากเลยนะนึกถึงสมัยที่ลุงเป็นเด็กๆนะวัยเด็กกับพวกหนูนี่แหละสนุกสนานลื่นเริงลุงก็อยากจะให้รางวัลหนูนะเอาไปร้อยหนึ่งไปแบ่งกันนะ ตอนเด็กก็ดีใจนะพอถึงวันศุกร์นะอาทิตย์ต่อไปเด็กก็มาเล่นบอลเหมือนเดิมพอ่อคราวนี้เนี่ยก็ลงไปหาออกไปหาเด็กหลังจากที่เด็กเล่นฟุตบอลเสร็จแล้วก็บอกโอ้ ลุงมีความสุขมากนะที่หนูมาเล่นฟุตบอลนะแต่ว่าวันนี้ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่กําไรน้อยน ะ, ะหนูไปนะห้าสิบบาทเด็กเนี่ยนะเตรียมจะ ยิ้มแป้นนะพอได้เงิน1อยนะแต่ว่าพอได้ห้าสิบก็ยังดีนะกลับไปนะเอาเงินไปแบ่งกันอันที่ต่อมาเด็กก็มาเล่นอีกพอเล่นเสร็จนะพอค้าคนนี้ก็ออกไปหาเด็กแล้วบอกว่าเนี่ยวันนี้ลุงนะขายไม่ดีเลยยิ่งกว่าเมื่อที่ที่ไล่ ลูกค้าน้อยหรือเกินมีแค่ยี่สิบนะเอาไปเถอะนะยี่สิบเพราะว่าเด็กเนี่ยรับเงินแบบเสียไม่ได้เลยนะแล้วก็นัดแต่นั้นมาเด็กก็ไม่มาอีกเลยเด็กไม่มาเพราะอะไรเพราะรู้สึกว่าเล่นไม่คุ้มเหนื่อยนะ ได้แค่ยี่สิบเองเด็กเลยไม่หม่เลยเพราะก็ว่าสมหวังสมปรารถนานะของพ่อค้าคนนี้เลยนันแต่นั้นมาแกก็สามารถที่จะนั่งสมาธิทุกเย็นวันศุกร์ได้อย่างสงบนะไม่มีเสียงรบกวนพราะเขาเนี่กแกฉลาดนะก็รู้ว่าการไล่ตะเพิดเด็กเนี่ยมันมันไม่เกิดประโยชน์ แต่กรู้วิธีที่จะทําให้เด็กเนี่ยเลิกเลิกเล่นเองนะเลิกเล่นเพราะอะไร น, นะมอผิดหวังนะผิดหวังที่ได้เงินแค่ยี่สิบแต่เดกไม่ได้คิดเลยนะว่าก่อนหน้านี้เนะี่ยมนเล่นเนี่ยไม่เคยได้เงินเลยก็เล่นยังมีความสุขแทนที่เด็ก แตที่เด็กจะมองว่าเออได้ยี่สิบก็ยังดีนะเพราะก่อนหน้านี้ไม่เคยได้เลยี่สิบนี่เป็นของฟรีแต่เด็กไม่ได้มองแบบนั้นนะเด็กไปเปรียบกับที่เคยได้นะร้อยหนึ่งหรือว่าห้าสิบการที่ได้ร้อยได้ห้าสิบทำให้เด็กเขาคาดหวังนะว่า เล่นแล้วเนี่ยน่าจะได้สักร้อยหนึ่งหรือแล้ก็ห้าสิบแต่พอได้ยี่สิบเนี่ยผิดหวังเลยโมโหทั้งที่ยี่สิบเนี่ยมันเป็นส่วนเกินนะคือของฟรีเพราะแต่ก่อนไม่เคยได้ถ้าเดี๋ยวไม่มีความคาดหวังว่าจะได้ลอยนะเดี๋ยวไม่มีความทุกข์แต่พอมีความคาดหวังว่า จะได้ร้อยและได้20สมันทุกเลยนะพ่อคร้านี่ก็ฉลาดนะรู้จักสร้างความคาดหวังให้กับเด็กแล้วก็อาศัยความผิดหวังนั่นแหละนะที่ทำให้เด็กเนี่ยโมโหจนเลิกเล่นให้ความคาดหวังเนี่ยมันกลับเป็นผลเสียกับเด็กเองนะอย่างที่บอกถ้าเด็กไม่คาดหวังนะ เด็กก็เล่นบอลยังมีความสุขแถมได้ยี่สิบบาทโอ้เรียกว่าของเรียกว่าได้ฟรีเลยยี่สิบบาทกลายเป็นโชคถ้าไม่คาดหวังนะแต่พอคาดหวังแล้วแถมคาดหวังร้อยหรือห้าสิบเนี่ยยี่สิบบาทกลายเป็นเป็นคราะห์หรือเป็นเป็นของของี้เลวไปเลย ซึ่งทำให้เกิดความผิดหวังทําให้เกิดความไม่พอใจก็เรียกว่าเป็นการเข้าทางพ่อค้าเลยพ่อพ่อค้าต้องการให้เด็กรู้สึกแบบ น, นั้นอยู่แล้วไม่พอใจที่มาเล่นแล้วได้แค่ยี่สิบต้องดีคนเราเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยนะเราก็ทุกข์เพราะเหตุเนี่ยนะเราได้ เราก็รู้สึกว่าเสียเพราะเราคาดหวังมากกว่า น, นั้นอย่างเด็กเนี่ยการที่คิดว่าได้ยี่สิบเนี่ยกับคิดว่าเสียสามสิบหรือว่าเสียแปดสิบเพราะคาดหวังร้อยหรือห้าสิบได้กลายเป็นเสียโชคกลายเป็นการลงโทษไป ดังความคาดหวังของเราเนี่ยถ้าเราไม่รู้ทันนะมันก็สามารถจะสร้างทุกข์ให้กับเราและทําให้เราสูญเสียโอกาสที่จะได้สิ่งดีๆอย่างเด็กเราเนี่ยถ้าไม่ผิดหวังนะเราก็กลับมาเล่นบอลอยู่ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์นะก็จะมีความสุขนะสุขที่ได้เล่นฟุตบอลแต่พอผิดหวังที่ได้20เท่านั้น เลิกเล่นบอนไปแล้วโอกาสที่จะได้ความสุขสนุกสนานง่ายๆมันก็เลยหมดไปถามว่าพ่อค้าห้ามหรือเปล่าพ่อค้าไม่ได้ห้ามใจเด็กตัดสินใจไม่ทําเองเพราะความผิดหวัง เ, เรื่องนี้เนี่ยจะว่าไปมันก็เลยคล้ายกับเรื่องพ่อค้าขายลูกชิ้นเป่ ง, งนะกับลูกค้า คนเราเนี่ยทุกข์เพราะความคาดหวังแล้วพอไม่ได้อย่างที่หวังนี่มันทุกข์เลยทั้งที่ไม่ได้เสียอะไรนะเพียงแต่ไม่ได้อย่างที่หวังอันนี้ก็อย่างที่พระเ จ, จ้าตรัสนะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ไม่ได้สิ่งนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเสียนะแปลว่าได้แต่ไม่ถึงกับที่คาดหวัง ถ้าคาดหวังต่ำๆก็ไม่ทุกนะหรือถ้าว่าไม่สมหวังแต่ก็รู้ว่าโอ้ที่เราได้มานี่มันถือว่าเป็นกาไรแล้วล่ะแต่ใครจะมองแบบนั้น่ะเพราะว่าถูกหลอกให้คาดหวังหรือว่าถูกทําให้คาดหวังแล้วก็ไปยึด ต, ติดกับความคาดหวังนั้นยิงเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีง่ายอีกอย่างหนึ่งนะ คือพ่อค้าเนี่ยจริงๆแล้วไม่ยังเป็นต้องไปไปหลอกเด็กแล้วก็เสียเงินนะเกือบสอง้อบาทเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าพ่อค้ารู้วิธีการฝึกสมาธิก็สามารถที่จะพบความสงบได้เด็กจะเล่นบอลก็เล่นไปนะแต่ว่าใจของพ่อค้ายัางสงบได้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าถ้ารู้วิธีฝึกนะก็คือรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นเสียงเด็กมากระทบหูเกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่พอใจเอาก็เห็นมันเห็นแล้วก็วางไม่ปล่อยให้ความหงุดหงิดมาลุกลามกลายเป็นความโกรธแต่เป็นเพราะว่าพ่อค้าเนี่ยแกไปฝึกนะไปฝึกวิธี เ, เพื่อว่าต้องไม่มีอะไรมารบ ก, กวนเลย หลับตาดีาไม่พ อ, อต้องปิดประตูด้านต่างเพื่อไม่ให้เสียงดังแต่ทายังไงเสียงดังก็ยังมาเพราะเด็กมันมันเล่นอยู่หน้าร้า น, นพอพ่อค้าเนี่ยฝึกสมาธิแล้วเกิดสงบขึ้นมาเนี่ยเกิดติดสงบพอติดสงบเนี่ยก็จะทนกับเสียงไม่ได้เสียงเด็กเสียงที่ดังมาจากข้างนอกจยิงเสียงไม่ทําให้เราทุกข์นะ แต่ว่าใจที่มันผักสายเสียงนั้นต่างหาที่ทําให้ทุกข์อย่างที่หลวงพ่อชาเคยพูดกับโยมโยมมันบอกว่าเนี่ยขอโทษที่เสียงดนตรีข้างนอกมารบกวนการนั่งสมาธิของพระและโยมในศาลาหลวงพ่อบอกโยมไม่คิดว่าเสียงดนตรีรบกวนเราที่จริงเราต่างหาที่ไปรบกวนเสียงดนตรีหมายความว่าที่โยมรู้สึกหงุดหงิดนะเพราะว่าใจโยมไปทะเลาะ ก, กับเสียงดนตรีเสียงดนตรีมันไม่ได้ทําอะไรเราจะแค่รู้ซื่อ รู้ละ ว, วางรู้้วยใจที่เป็นกลางนะมันก็ไม่งุหงิดหรือถึงถึงจะไม่ไม่รู้ทันเกิดอารมณ์เสร็จแล้วแต่ก็ยังไม่สายที่จะไปรู้ทันอารมณ์เช่นความงุดหรู้แล้วก็วางไอารมณ์พวกนี้เนี่ยมันมันแพ้นะการถูกรู้ถูกเห็นด้วยสติถ้าไปรู้ไปเห็นมันด้วยสติเมื่อไหร่ว่ามันมัน fall เลยนั่นถ้าเกิด พ่อค้าเนี่ยนะรู้วิธีการฝึกสติก็สามารถที่จะรักษาใจาให้สงบได้แม้จะมีเสียงเด็กบนะวกเวกอยู่หน้าร้านหรือแม้จะเผลอเนีเกิดความหงุดหงิดไปแล้วแต่ว่าก็วางมันได้เพราะรู้ทันไม่มีหลายคนก็ทําได้นะเสียงเดี๋ยวว่าจะเสียงวกเวกเลยนะเสียงเรื่อยยนเสียงเคาะเสียงคอน กระทบกระทบหูแต่ใจก็ยังสงบได้พอเขารู้วิธีการฝึกสติรักษาใจแม้ว่าสิ่งรอบตัวมันจะเต็มไปด้วยสิ่งเล่าก็ตามงั้นจะเกิพ่อค้าเนี่ยแกรู้จักวิธีการฝึกสตนะิอย่างถูกต้องนะก็ไม่จนเป็นต้องไปนะหาทางหลอกล่อให้เด็กเขาเลิกเลิกเล่น ด้วยความผิดหวังด้วยความไม่พอใจ